การระลึกถึงพุทธคุณเป็นการระลึกถึงผู้ที่ท่านยิ่เศษสูงสุดคือพระพุทธเจ้าผู้ที่ตั้งาศาสตร์ศาสนาเระลึกถึงคุณของพระองค์ <c oughs> ก็เป็น น, นว่าระลึกถึงคุณก็ทํารพระสงฆ์ไปพร้อมกันพระพระพุทธเจ้ากระธรรพระสงฆ์ เกี่ยวเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่แหละเรื่องเป็นของละเอียดเราพาทั้งเข้าใจพระพุทธอันหนึ่งพระธรรมอันหนึ่งพระสงฆ์อันหนึ่ ง, ง, นนงถ้าหากไม่พิจารณาให้ทีทวนโดยความแยกทายก็จะไม่เห็น พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แท้จริงถ้าพูดประทําประสงค์แล้วขอพากันกล่าวกันอยู่ทุกวันคือว่ า, าสะสมบูรเทาเย็นไม่น่าจะเอามาพูดหรือมาแสดงอีกต่อไปแต่ความเป็นจริงนั้นหาได้เป็นฉะนั้นไม่ที่จะต้องมาบรรยายอยู่ตลอดเวลาก็ด้วยเหตุที่ว่า ล้วกล่าวแต่เพียงเปล่งวาจาออกมาแต่ไม่ได้เข้าถึงจิตใจไม่เข้าถึงคุณพระธรรมกายอย่างแท้จริงที่ท่านให้ระลึกถึงคุณพระธรรมกายโยพูดพระธรรประสงค์ในนั่นมันเป็นอนุสติเป็น สมาฐานอันหนึ่งซึ่งจะทำให้จิตใจของเราสงบรวมจิตใจเราเป็นสมาธิและงับเจ้าสิ่งความหม่นหมองคือกองกิเลสต่างๆให้สงบระงับไปได้ไม่ใช่เป็นของต่้ตื้นได้ไม่มีประโยชน์อะไรเลย ที่เราเห็นเรื่องของต่มตื้นและไม่มีประโยชน์ก็ปัญญาของเราไม่ถึงคุณของท่านเพราะฉะนั้นจริงจะต้องพูดอีกและจะต้องพูดทำธรรมรักษากันถึงคุณพระสะรักรายเง่นไหนเราเป็นพุทธศาส น, นิกชนคือผู้ที่นับถือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นปรณะอยู่แล้ว ผู้ที่เป็นสรัทธาคือผูทธรรมประสงค์นั้นอาหากเราไม่รู้จักคุณของท่านโดยแท้จริงทราบซึ่งถึงจิตใจใแท้แท้จริงแน่นั้นแต่ยากที่จะรับเอาคุณพระนารัยนั้นมาไว้ในตัวตนของเราได้พุทธศาสนิในไก่ชน ทำไมยังต้องไปถือศาสนาต่างๆ ท, ทั้งๆที่เราเกิดขึ้นมาในล่มเงาของพุทธศาสนาในพวบคุครุ่นเราก็ถือพุทธศาสนามานุนนานแต่ทำไมจึงต้องพากันเปลี่ยนจิตใจไปนับถือศาสนาอื่นอย่างนี้เป็นต้น ปัญหาเป็นสิ่งที่คนคิดนึกเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ก็ด้วยเหตุที่ว่าถือไม่หมัน่นใจไม่อย่างถึงคุณพระรันตนตรัยอย่างแท้จริงคือความเชื่อมั่นนีงว่าเต็มที่นี้นอาจจะมีคนอื่นพักจูงแล้วหมุนกลับไปได้ผู้ที่นับถือคุณพระรัธธนตนตรัย ทราบซึ่งเขาถึงจิตใจนักแน่นมั่นคงแล้วนั้นไม่มีใครหรอกจะหมุนให้กลับไปทั้งอื่นหมุนจิตใจใกลับไปถือจักหาอื่นได้นี่แหละจริงจําเป็นจะต้องพูดทันทาาันประสาทคือเพื่อให้เข้าใจเราถึงคุณพระตาตาใจก็ถือให้มันจริงให้มันทราบซึง่งถึงจิตใจจริง จริงจะเป็นคุณ ป, ประโยชน์แก่ตนเองเรื่องถือคุณพรัชญาใจให้ทราบถึงถึงจิตใจของตนนั้นไม่ใช่ไม่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ของคนอื่นแค่ที่จริงก็เป็นประโยชน์ของตนเองนั่นแหละดังเราเคยได้ทราบประวัติหรือได้ทราบั้งเรื่องนิทานทต่าง ร่างพระพุทธเจ้าของเรทรงประชดยุมีคนได้ฟังเทศธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและเกิดปสัสสะปัสถาเรื่องใสปฏิญญา้นถึงพั้นระดนไตรเพราะเอาพระพุทธธรรมประสงค์เป็นศาระที่พึ่งจนตลอดชีวิตชีวาโดยที่มันมีการบังคับ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 จิตใจจะต้องเป็นพุทธมามุกกะคืนเป็นพุทธศาสนาพิมพชนอย่างแท้จริงรวมชั่วต่างๆที่เคยประพฤติปฏิบัติมาแต่ก่อนเก่าสามารถลดละหรือให้หมดสิ้นไปได้โดยการมาเห็นมาถึงเพื่รนไกอันนั้นเรียกว่าเป็นคุณประโยชน์แก่ตน ที่นัถือเพื่อพัฒนาไกลนี่แหละจึงอยากจะย้ำแล้วย้ำเล่าให้เข้าใจเรื่องคุณพัฒนาไกลเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนมีความมุ่งหมายในตอนนี้ก่อนที่จะถึงพรระัฒนาไัยก็ต้องให้รู้จักคุณของพระัฒนาไกลเสยียก่อนจะพูดถึงเรื่องคุณของผู้ได้เจ้า เป็นเรื่องต้นจงพากันจดจํากําหนดใจไว้ให้ดีว่าคุณของพระพุทเจ้าเนะิ่นมันทราบซึ่งถึงจิตใจของเราได้อย่างไรและเป็นประโยชน์แก่เราได้อย่างไรพระพุทธเจ้ามีคุณเป็นอนเนกที่เราพากันกราบไหวแลวะกรนามเพื่อกราวถึงพระคุณของพระองค์ทุกวัน ที่เรียกว่าธรรมชาวเิเย็นมีถึงบทพระคุณมีถึงเก้าพธกาศอารหังบทหนึ่งสัมมาสัมพุทโธอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสบทหนึ่งสัมมาสัมพุทโธเป็นผูอ้อรรถรเองบทที่สอง วิชาจรณะสามปันโนเป็นบทเป็นผู้มีวิชาและจรณะคือหมายความมีความรู้ความฉลาดเฉียบแหลมและกับพุทธสมกับความรู้ความเฉียบแหลมข้งตน้นถ้าจะพูดทั้งเรื่องเจรณะก็มีมากมายถ้าจะพูดทั้งวิชาก็กว้างขวางแต่โดยสรุปใจความรวมแล้วว่าท่านมีความรู้สระ สามารถรักษาตนคือชำนาจกิเลสภายในของพระองค์ให้หมดจิ้นไปและตั้งใจปฏิบัติในแนวความรู้นั้นผู้ดีง่ายหนึ่นงเรียกว่ารู้อย่างไรปฏิบัติอย่างนั้นเห็นชัดเห็นจริงอย่างไรแล้วก็ละถอนทิ้งอย่างนั้นรักษาระดับภไยในใเสือ่อมสุขนี่เป็นข้อที่สาม ขาอที่สี่สุขเตาเป็นผู้ไปดีคำว่าไปดีไม่เช็ไปอะไรหรอกหมายถงว่าเสด็จไปในทางไหนเป็นประโยชน์ในทางนั้นเช่นจะไปเหนือรองใกไม่ได้ไปเสียประโยชน์ พระองค์ไปก็มีสติรอบขอบสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ไปเพื่อสรรพกิเลผู้ที่เห็นแล้วพุทธเจ้าแล้วก็เข้าสมาคมคือคบค้าสมาคมได้สดัตว์ต่าฟังธรรมเทศนาเกิดปาถสาระทัศริยันใสตั้งแต่ปฏิบัติตนตามธรรมทั้งสองพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่ตนจึงว่าไปดีไม่ใช่ไปรักส่อโกขโมย หรือไปอะาราวา่าเพราะทุ่มเสียงคนใดคนนึงเรียกว่าไปดีที่ว่าไปดีในที่นี้โลกวีทูพระองค์รู้แจง้งถึงโลกทั้งสามคือมนุษย์ะโลกเทวโลกอมตโลกคราว่ารู้แจ้งในที่นี้คือว่าพระองค์ไปเห็นชัดเห็นจริงมัดทุกสิ่งทุกอย่างโลกทั้งสามนี้ไม่ได้ติดของโภคัน เห็นชัดตามเป็นจริงไม่ใช่เห็นแล้วจะติดความรู้ของพระองค์พระองค์ไปเห็นหนึง่งรู้แจ้งโลกนัน้นไม่ใช่รู้แจ้งแล้วไปติดเหมือนกับสมัยทุกวันนี้เขาตารวจดูโลกพระทิตดไปจาย์ พ, ย า, ยพงางพันแล้วไปพัวพันแล้วไปเรื่องโลกทั้งหลายมัวเมาแตเรื่องโลกทั้งหลายมันไม่ใช่อย่างนั้นเพืรองรู้แจ้งนั้นรู้แจ้งเห็นจริงว่าโลกมันเป็นอยู่อย่างไรเป็นมาอย่างไร และมันจะเป็นไปโดยประการใดเห็นชัดแล้วถอนไม่ได้เข้าไปพัวพันในเรื่องโลกทั้งสามจริงเรียวว่าโลกเกีวีทูมีคัมภีร์อีกอย่างหนึ่งที่โบราณท่านเคยพูดกันอยู่เสมอว่าถ้าพุทธ ด, ดเจ้าเรียบโ ก, ก็คือด้วยไปเที่ยวเรียรบเลาะมดโลกทั้งสามตลอดหมด แร้จริงไม่ใช่อย่างนั้นอายุของพระพจองค์ก็ไม่ยืนนานเลยนะแต่ตราสรู้มาแล้วก็ได้สี่ห้าปีที่ไหนจะไปเที่ยวลาะโลกเรียบโลกมะจนตลอดหลอดสังไม่มีหรอกคือเอาความรู้นี้แหละไปรู้รอบมดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจมาทุกสิ่งทุกประการในเซมนโกคุณสามเดียวกับไปเที่ยวเรียบเลาะเละโลก นิเแวนโลกายังเรียกว่าโลกวิทูอานุตรุริสาธรรมศสารัฐธีสถาเทมุษานาพุทธรัฐธีสถาเทมุานาเป็นผู้ปรมานซึ่งมนุษย์ทั้งหลายทั้งทุกชั้นทุกภูมิ คนต่ำต้อยก่อนถ้าะมานได้ด้วยธรรมะคนทรำกลางและคนมีวิชาสมรู้สูงสุดมองหาวิธีละมานอย่างนิ่มนวลไม่ได้ใช้อาจาบังคับแต่ชักชวนโดยธรรมะแสดงเหตุผลให้เห็นด้วยตนเองจนยอมสละความชั่วของตนเข้ามาปฏิบัติตามธรรมคำสองพระเจ้าเป็นคนดีขึ้นมา มีพูริศาธรรมสารถีสัทธาพูริศาธรรมสารถีสัทธาเป็นครูเป็นอาจารย์ของมนุษย์ตลอดทั้งเทศพบุตรเทศดาอินพรหมโพงก่อสั้งสอนได้ทั่วตลอดหมดพุทธโคจึงเป็นผู้เบิกบาน เป็นผู้มีความพัดไยเบิกบานม่เส้าหมองผู้กันตามภาษาว่าแล้วบ้านเราเ็าเรียกว่าจิตใจพองใสยิ้มแย้มแี่มใสอยู่ตลอดเวลาเพราะกิเลสทันดาดก็โหงไม่มีมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของทะลุรลูปป่งหมดและไม่ติดไม่ผัวพันอันนี้จริงเรียกว่าพุทโธผู้ปลุกวางพระควาเป็นผู้แจก เพื่อแจกคำคำสอนของพระองค์ที่เด็กทารุนังไม่ได้ผงแหงนแจกเหามนุษย์เทเะดาอินทร์พรให้ทั่วถึงกันมดเท่าที่สามารถผู้รับจะรับได้เหมือนกับพวกเรา พ, พระพุทธเจ้าท่านแจกมาถึงพระองค์ไม่มีผระชนชีพอยู่ก็าตามแต่ธรรมะยังแจกมาถึงพวกเรา ได้คนนนนิดได้หน่อยพากันมาลักมาปฏิบัติประพฤติปฏิบัติทาตามจนได้ความเบิก บ, บานหันษามีจิตธาตั้งหมัดในพระพุทธศาสนาไม่ถอยหลังเรียกว่าเราได้ส่วนคือได้ส่วนแบ่งส่วนเจีจากพระองค์ให้นั่นเองถึงพระองค์ไม่ได้ให้ประทานด้วย พระองค์เองจะมีคนนำสืบมาคือพระสาวกและครูบาอาจารย์นี่ยเรียกว่าพุโทโธไอเรียกว่าพัควาผู้แจกจาายลองคิดดูพี่พคุณของพระเดจาของเราที่อธิบายมาเนี่ยมีในตัวของเราไหม มีติดมีพันมีอยู่ในตัวของเราบ้างเล็กๆน้อยๆมีไหมอรัหังสมาอารหังเป็นผู้ไกลาจากกิเลสคำว่าไกลาจากกิเลส น, นี่ของเรามาไกลได้พอปานใดที่มีอยู่ในตัวของเราเราไกลหรือใกล้เราเป็นผู้เป็นตัวกิเลสทั้งหมดหรือว่าเราห่างไกลาจากกิเลสมากขนาดไหนแล้วเราลู่ได้ในตัวของเรา คำาว่ า, ากิเลสในทนี่นี่น้ใครก็พูดได้ทุกคนได้ตัวกิเลสแท้จริงนั้นมันเป็นยังไงและพระองค์ไกลนั้นไกลได้อย่างไรพอให้คิดดูตรงนี้กิเลสนมันเป็นอย่างนี้เป็นภาษาแขกไม่ใช่ภาษาบ้านเรากริเลสคือความเศร้าหมอง ยีเดชคือเครื่องดองในชั้นดานนั้นมัดหมมอยู่ในชั้นดานคำว่าเศร้าหมอนั่นมันเราเห็นได้ยากเราถือความเศร้าหมองเป็นการของเป็นความผองใสแล้วเองเครื่องดองที่มัดหมมนั่นเป็นของอร่อยคำว่าเครื่องดองของมักหมมนี่นั้นโดยความจริงแล้วเรียกว่าเป็นทิศ แต่เราเข้าใจเป็นความอเล็กอตอมนี่มันเข้าใจคิดเป็นกลุ่มนี้จริงยากที่จะเห็นตัวกิริย์เอาพูดเป็นตัวขวน่นี่ความโลภเกิดขึ้นในใจทำให้ทะเยอทยานดินน้นรนอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นได้แล้วก็ไม่พอไม่อิ่มไม่เต็ม มีน้อยก็ยังได้มากมีมากก็ยังอยากได้ ม, มากๆยิ่งเพลนไปในผลที่สุดมันมีอี่มีของมีเต็มความอยากทําให้ใจเศร้าหมองถ้าจิตใจไม่ผ่องใสมีความอยากมันห่มหอให้มืดตืไม่มองเห็นพระรัตนะใสก็เพราะความอยากนี้แหละไม่มองเห็นคุณคุวเจะกเพราะความอยากนี้แหละนั่นปกปิดห่มหองไว้ แล้วถือเสว่าถ้ามันมีความอยากแล้วก็จืดชืดจิตใจของคนเรานะ่ยไม่มีความอยากแล้วจืดชืดนี่จริงว่าเห็นที่เครื่องสมองเป็นของผองใสถ้าหากเราทะเยอทะยานลี่ดิื่นล้นอยากได้น่นอยากอันนี้คนสวยแล้วหมายรู้วันเบิกบานจิตใจผองใสอาการทะเยอทะยานคําว่าเครื่องสมอง หรือว่าคาว่าเครื่องหมกเครื่องดองอันมันอยู่ในใจนั่นนั่นดองอยู่ในใจตลอดกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอริยาบทคือผม อ, อยากมันซึมซ่าบอยู่ภายใ น, ในเห็นอะไรได้หมดอยากได้หมดทุกอย่างอย่างเราเดินเข้าไปในป่า ความอยากมันเกิดมีขึ้นพวกชอบทำนาไปเห็นดิดนาฬิกามีน้ำชุ่มชื้นคิดคิดถึงอยากจะทำนา<ม>พวกก็ข้าเลี้ยงโคเลี้ยงโงโคโนมเลี้ยงกระบือเห็นเท่นเช่นนั้นเขาอยากจะทำสนามหญ้าเลี้ยงโคเลี้ยงกระบื้อไว้ขังคนที่ชอบทำสวนอยากจะปลูกต้นไม้ยืนต้นทำสวน อันนี้เรียกวพวกเข้าป่าอย่างน้อยที่สุดแม่ครัวเข้าป่าเห็นยอดไม้อ่อนๆคิดถึงผักอยากจะได้เก็บอกผักมาจีบน้ำพริกเห็นหน่อมไม้ยอดผักคิดถึงจะอามาแจงมาต้มบางคนบางทีเห็นแล้วก็น้ำลายพลุออกมา มันอยากอันนี้เรียกว่าความอยากมันเกิดมันมีึ้นในใจไม่มีความสงบไม่มีภาวนาสมาธิเลยการเป็นอย่างนั้นเพลินสนุกเข้าป่าเรือเมื่อตืน่นพั่มนี่เราเรียกว่ากิเลสมันหมกมักหมมอยู่ในสันดา่างนี่ว่าความโลภ ว่าจะาพ่อขมโกรธผานี่เขาว่าให้จ็บช้ำน้าใจใครไม่โกรธก็หาวาคนโง่ถ้าโกรธต่อแล้วแหมด้วยท่าแสดงท่ า, าทีปริกิยาถึงรังเห็นว่าคนจะเอาชนะคนอื่นจนได้คนนั่นคนมีจิตมีใจถ้าหากใครไม่โกรธถือว่าเป็นคนไม่ดีไม่รู้จัก โกรธแล้วโดยคะกรอบก็เลยบางทีเพื่อนอยู่ใกล้ๆกสะกิดให้โกรธไม่โกรธไม่ดีในใ น, ในทางทําพระพกุทแจเจ้าทั้งสองกอ็โกรดนั่นคือไฟมันไหม้เพื่อมาในหัวใจตัวพวอมาเปรียบเหมือ น, นกับไฟฟ้าเหมือนกับไฟไม่จังอื่นไกลละไฟนั่นน่ะ มื่อกี้หัวไม่ฉีดไฟหรอไปเวลาลราชักไม่หัวไม่ขีดแต่หัวชักอันหนึ่งนิดเดียวเทนะ่านั้นเอามาฉีดคือกระทบกับหน้ามันพอกระทบพัดเขอเท่ า, ทานั้นแนะ่ะติดเขาจับเลยนั่นติดนิดเดียวเทนะ่านั้นจ้าแด้ก็สว่างออกมากระติกก้านมัน ใหม่การต้องใหม่กัรทหารเราไม่จริ้งต้งใหม่ทิ้งมือให้ว่าต้องใช้กองที่ยะที่เหนือ่ออย่างเยอะเชื่อปลต่างรุกทู่ทังหมดใหม่บ้านใหม่เรือนไม่จิ่การเดียวแล้วรอดทั้งใหม่บ้านใหม่เมืองเมืองก้องโกรธไปฉันนั่นเหมือนกันกระทบปั๊บนิดเดียวฉุนปับ๊บมาเลยเพราะฉุดก็จะเกิดความโกรธชื่อเรียกว่าฉุดคิดจะแก้แค้น เจ้ไม่ได้ทันทีทันควรก่อนเกิดอาฆาตพยาบาทจองอ้างจองขานโารคทั้งหลายที่เกิดสมคามกสวกวค์เดี๋ยวนี้กับเพราะเรื่องนี้โรคจะช็บหายตายจะเป็นหมื่นๆแสนเป็นล้านก็เพราะเรื่องความโกรธที่ไม่ยอมละมาร่์ทิฏฐิมันเป็นอย่างนี้คำว่าไฟคือความโกรธความโกรธนี่นเป็นเครื่องเศาหมองคิตใจไม่ฟง เขาโกรธขึ้นมาทีแรกแสดงปฏิกิริยาท่าทีเลือดเขาเรียกว่าเลือดมันเดินเร็วพุ่งออกมาแสดงความถึงขังตึงตังคนไม่มีกําลังเรียลแรงก็แสดงเป็นของมีกําลังเรียลแรงคือเนื่องจากเลือดฉีดพอหมดจากนั้นอ่อนพับลงไปเลยหมดกําลังเรียลแรง คนที่โกรธนองมากก็ลองคิดดูสิเห็นได้ง่ายๆเพราะหายจากโกรธ น, น, นอนอนปุ๊บเลยเนี่ยมันเหนื่อยมันเผาแค่เฉพวะมาเปลี่ยนมันก็ของภายนอกไฟไหม้ป่าพอหมดเชื้อเท่านั้นแหะดับลงไปแล้วก็ไม่มีอะไระหมดไปไม่สามารถหายไปไหยังเหลือแต่เท่า คนเราก็ยังเหลือแต่ความอ่อนเพียเพราะหมดจะตรงโกโรธยังเหลือแต่ความอ่อนเพียนี่หลยจึงว่าถือกิเลสคือความโกโรธเป็นของดีพ่ะเจ้าเห็นจาเป็นโทษแล้วถือเป็นของดีเมื่อกระมวลข้ามอย่างนี้จริงยากนั่งยากหนาซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าทำคําสอนพระเจ้าเป็นของดี หรือว่าผู้ได้เจ้าเป็นผู้ดีวิเศษย yeah. ากพร้อมหลงละคัะถ้าพรวมหลงมัวเมาติดพันในสิ่งใดสิ่งนั้นเข้าใจเป็นความดีถ้าหากว่าเพิกเฉยไม่มัวเมาติดพันเขาเข้าใจว่าจิตคนใจจืดใจจาง แคตตัวอย่างอย่างง่ายๆความรักเพราะมัวเมาเกิดขึ้นจากความรักถ้าหากว่าไม่มีความรักเกิดขึ้นมาความมัวเมาคงไม่เกรักอะไรก็เอาถเถอะลูกเสียงลินโลดโกผงสัพจะเป็นวัตถุหรืออะไรก็ตามแล้วรักริงของเครื่องไช่ไม่สอย สมมติว่าเรามีเครื่องใช้สักอย่างแต่เป็นรถเป็นลาขตามเป็นบ้านเป็นช่างเป็นเงินเป็นทองอะไรก็ตามเนรักแล้วก็จีบพันในเรื่องนั้นมั่นในเรื่องนั้นหรือว่ารักลูกรักหลานรักลูกเมียก็เอาหรือรักผัวกรช่างถ้าไม่มีความรักจะคล้ายกัคนใจจืดจะความรักแต่นหน้าติเื่องมูกมั่น ทำให้ความรักแต่ความรักผูกมัดนั่นแะทำให้กวามรูึชั่วเร็วตายฆ่าสัตามชีวิตควารู้สึกิดเัตประ ก, การต่างๆเกิดจากความรักย้อนสะะความสุขของตนหรือความดีของตนแลกเอาความรักคนที่อาสาสมัครไปสึกสงครามเพราะอาชีพไม่ดี ไม่มีเงินมีทองจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียคนนักษาฆ่าคนอื่นเห็นเกตเงินเกตทองก็เอามาเลี้ยงฝั่งเลีเ้ยงทองแล้วก็เอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ะว่มหลักยอมสะดะว่มดีอยู่ดีดีไม่ยอมคือเกิดจากคมรักจึงค่อยยอมทําครบชั่วไันนี้เกิดจากคนรัก คนไหนถ้าหากกระท่าจากการคู่รักร่วมกายหายศูญแล้วได้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นทุกข์เป็นโศกเขาถือว่าไม่อะไรอาวรณ์เขาถือว่าไม่รักไม่ไข้กันในทางพุทธศาสนาท่านว่าเห็นตามเป็นจริงแล้วทอดพระรอยวางใจจึงควรเป็นสุขแต่ในโลกอันนี้ถือว่าถ้าหากทอดพระรอยวาง มนิยมก็เปนน็นความดีอันควนิยมอันนี้แต่มันปิดทำคำสอนพุทธเจ้าไว้ไม่เห็นตามเป็นจิตแตอย่างบางวัทถินิยมถือกันพ่อแม่คนรักนับถือแลือปู่ย่าตายตวดพี่นองญาติวงที่เรานับถือเพราะเรานับถือบูชาเวลาตายจะต้อง พาการร้องไห่ร้องหม่มไม่ให้ก็แสดงให้ร้องไห้แต่อย่างพวกจีนจีนเนี่ยทำยัมไงบ้างเขาบางทีทั้งจ้างกับร้องไห้คนเดียวไห่ไม่สนุกต้องหาหมู่เพื่อน ม, อมากที่เป็นญาติพี่น้องรวมรไห้เป็นหมู่เป็นหมู่ไปร้องไห้เป็นหมู่เป็นหมู่ไปนี่แสดงว่าถึงเรื่องขมเมา นี่ยอมนับถือความเมาเอาความเมานั้นเป็นของดีหรือไม่ฉะนั้นจะพูดกันง่ายงคนเราไม่ดื่มไม่เมาก็าเลยยกโทษดูถูกกันสมัยก่อนเขารู้ถูกก่อนเป็นผู้หญิงนี่ไม่รู้จะเมาไม่เจ๊ะดื่มหรือเขามาในนี้ผู้หญิงดื่มเบ่งเก่งกว่ผู้ชายเขาไม่หวานละคนไม่ดื่มเขาไม่หวานผู้หญิงเสร็จแล้วก็ผู้หญิงดื่มมากกว่าผู้ชายก็มีเยอะ อันนี้แสดงว่านิยมขอมเมานับถือขอมเมาเป็นเครื่องบูชาที่แสดงมานี้ทั้งสามขอคือว่าความโลภความโกรธความหลงสามอย่างนี้เป็นตัวกิเลสนิยมนับถือกิเลสว่าเป็นของดีแต่พระเจ้าสละเรื่องหมายตรงนี้ได้ท่าน เ, เป็นคุณบกเป็นผู้บริสุทธิ์ ถ้าเรายังนิยมนับถือของเรนี่เป็นของบริสุทธ์ดีโยตระใดไม่เห็นชัดตามเป็นจริงตามธรรมคำามคนเจีแล้วก็ไม่สามารถที่จะละกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ได้ถ้าคนใดมาละกิเลสเหล่านี้ได้ให้เบาบางลงไปละไปหมดก็ดีจะเห็นคุณประโยชน์เกิดขึ้นในตัวของตนนะอธรรมะของหลงสอนถูกของจริงเสียังความโลภ เกิดขึ้นมาเรารู้จักละรู้จักพอดีพอประมาณความอยากได้ถ้าเยอะทะยาเนยังเขาผ่านจิตใจั้งตนให้ปกปิดจิตใจของตนถึงเรียกว่าละไม่หมดก็ยังเหลือไว้แต่เท่าที่เราละได้เราไม่ทะเยอทยานในโนกเจียวก่อนเกินขอบเขตจะเห็นความสุขเกิดมีขึ้นในตนเองหากว่าพระพุทธเจ้าของเราทันละได้จริง ถ้าในผู้บริสุทธิ์หมดสุดในสมัยข้างผู้ดการเข้าก็เคยยกโพทษพระเจ้าเมืพระผู้ได้เจ้าเป็นคนด้านจิตใจด้านคือไม่ไรูรจ้จัดอยากได้เรียกว่าคนด้านไม่ใช่ในสมัยนี้ยกโทษพรพุทธเจ้าไม่ได้จักรักจะโกรธเรียกว่าคนด้านคนรักคนโกรธ ตั้งอธิบายมานั่นเป็นเหตุให้ใจเศ้าหมองเป็นเหตุให้เดือดร้อนถ้าหมดละหมดรักหมดโปรดหมดโลภหมดหลงปรองกาณิจังทุกขงังนาตาเห็นสภาวะตามเป็นจริงจิตใจได้ค่อยผอมใสเบิกบานหายที่จากความทุกข์เดือดร้อนด้วยประการต่างๆอันนี้ถ้าหากว่าเรามารัากผมโกรด เอาสมมติเรามาอยู่วัดอย่างเงี้ยวันเนี้ยไม่มีเรื่องอะไรเจ็บกระทบกระเทือบไม่มีใครแจ้มมาต่อว่าต่อร้องต่อเสียงไม่มว่าเหยียดหยามรุถูกทัำใม้เจ็บข้างน้ําใจตลอดวันค่ําตลอดคืนรุ่งเรามาสาวโบนถ์เราจะไม่มีความโกรธเดือดร้อนอะไพูดวายขึ้นมาเลยเจ็อิ่มนุ่ยด้วยตีติ 4, ในการที่เรามีคุณงามความดีเป็เพื่อนๆอยู่เพื่อจินห้ากินแปด อยู่ก้มโกรธ น, นั่นเอนี่เราก็จะเห็นคุณแล้วหากว่าเรากลับจากวัดนี้เข้าไปบ้างหรือว่าอยู่ในวัดหนี่กระช่างมีคนใดมาพูดกระทบกระทือนให้เดือดร้อนให้เราเกิดเกิดก้มโกรธ ข, ขึ้นมาเราจะเห็นโทษทันทีก้มโกรธเป็นของเป็นของทุกข์ทำให้เดือดร้อนไม่ได้ความสงบทุกข์สบายนั่นนี่ตัวอย่าง จะเห็นได้ง่ายกว่าคโกรธของเราหายไปเราจะได้รับคนสุขเมื่อเราเห็นชัดอย่างนี้เราจะมองเข้าไปลึกซึ้งเข้าไปถึงคุณพระพุทธิจากท่าน ม, มีโกรธเอาจริงจงจังอ่ะใครจะกระทบก็ไม่มีโกรธซะเลยจะเยือกเย็นทั้งขนาดไหนจิตใจของพระองค์ที่จะล่าคมโกรธได้เช่นนั้นไม่ใช่ของง่ายๆจะต้องประกอบด้วยปัญญา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 เพราะโกรธก็เป็นเรื่องของเขาเรามาพิจารณาอย่างนี้จะมองเห็นปัญญาของพระองษ์อย่างลึกซึ้งโอ้ปัญญาสามารถระงับ ด, ดับความโกรธเสียได้เห็นความบริสุทธิ์ของพระองค์ชัดเจนทีเดียวพระองค์บริสุทธิ์อย่างนี้เองจึงไม่โกรธเพระองค์มีปัญญาอย่างนี้เองจึงไม่โกรธ เรามีปัญญาอย่างนี้เองความจริงพระพุทองค์มีเห็นความจริงอย่างนี้เองจึงสงสารคนที่โกรธนี่สรุปรวมจะวมรวมแล้วว่าเราไปพิจารณาถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าแล้วเห็นความบริสุทธิ์คุณของพระองค์และจะเห็นพ ร, พระเมตต์กรุณาคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ในที่เดียวเลยอันนี้พระคุณโดยยนยออ เรียกว่าวิสุทธ์ว่าปัญญาคุณและวิสุทธิคุณและพระกรุณาคุณพระคุณทั้งหลายแหละที่อธิบายมาถึงเก้ามีอรหังสมาธิมุโทโธเป็นต้นจะมาสรุปรวม ร, รวบ ร, รวมในสามพระคุณนี้คือส่วนข้อพระองค์สองได้แก่ปัญญาฉลาดเจียบแหลมสามารถเห็นชัดการเป็นจริงในเรื่องกิเลสทั้งหลายหมด แล้วจะกำจัดกิกเลสน้อยใหญ่ซึ่งมีอยู่ในขันธ์ต่านของผมให้หมดสิ้นไปนี่เรียกว่าปัญญาคุณกับวิสุทธิคุณเรื่องของส่วนของพระองค์ธรรมะเป็นธรรมดาขุนงามคนดีเป็นของธรรมดาเมื่อมีแล้วก็อดเกิดแผลคนอื่นไม่ได้อย่างเราทําบนซุ้นทานแล้ว เ, เกิดศรัทธาเรื่องใสในพุทธศาสนาแล้วก็อดจะบอกคนอื่นไม่ได้ เรียกว่าเป็นของไม่มีห่องแหนเพรทพพุทธองค์ก็เช่นนั้นเหมือนกันเมื่อมีความบริสุทธิ์มีปัญญาฉลาดจนกระทั่งทำพระพุทธองค์ให้ทำพระสันดางพรงโพิสัตว์สร็แล้วพระองค์ก็ต้องมีกรุณาสงสารสัตว์ที่ยังตกอยู่ในห่วงของกองกิเลสบาปรธรรมเป็นธรรมดาเรียกว่ากรุณาคุณกุณาคุณนี่เกี่ยวเนื่องถึงเรื่งคนอื่นจึงรวมควมเรียกว่า 3ามคุณน่ะสามพระคุณนั่นน่ะมารวมเป็นส่วนของของพระองค์สองสเสบียงต้นคือปัญญาคุณบริสุธิคุณและส่วนที่สามนั้นเป็นของเจือมาจานมาแก่พวกเราคือกรุณาคุณพระคุณทั้งหลายเรานี่ะถ้าหากเราไม่ตั้งใจกำหนดคิดพิดจารณากันจริงๆอาจา์จะไม่ทราบซึ้นถึงใจของเราด้วย ถ้าหาคู่าพิจารณากันจริงจริงๆจ้งแล้วกราบถึงพขาพูดได้เจ้าพราคุณเขาพูดได้เจ้าครั้งแรกจะเห็นพระปัญญาคุณและพะวิสุทธิคุณแล้วก็จะไม่เห็นพระกรุณาคุณของพระองค์เมื่อกราบครั้งที่สองอ่ะถ้าทำครั้งสองพระองค์อ่ะที่สอนให้เราละชั่วทําดีด้วยพระกรุณาคุณทั้งหลาย จะมาปรากฏชัดในขณะที่เรากราบเห็นชัดเห็นจริงขึง้นในขณะที่เรากราบคิดใจะจะเกิดทราบซึ่งฝากพื่มปีติยินดีีบอกกีมใจในขณะที่เรากราบถ้าทำจว่าปรากฏในชนะเลยแล้วก็จะกราบทั้งที่สามจะระลึกถึงพระอรเยศสงศ์สาวกที่ท่านดํารงความบริสุทธิ์หมดจดหรือที่ท่านน้าตาสนามานั้น จะมีความบริสุทธิ์ในใจของท่านอย่างผู้ได้เจ้าจึงคว่ามีพระกรุณาคุณคือว่านําศาสนามาเผยแพ่แก่พวกเราและความบริสุทธิ์ของพระอาริยสงสารกทั้งหลายนั้นดาเนินตามรอยของผู้ได้เจ้าแต่ธรรมนั่นแหละเป็นท้นทางให้พระอาริยสงสาวกเป็นผู้บริสุทธิ์ได้แค่คุณคือว่าปัญญาคุณอย่างผู้ได้เจ้าก็มีในพระอาริยสงสา พระวิสุทธิ์ที่คุณก็มีในพระอริยสงฆ์พระกรุณาคุณก็มีในพระอริยสงฆ์ตกลงว่าผู้ทธเจ้ากับพระสงฆ์คล้ายๆกันอันนี้แท้ธรรมเป็นเครื่องนําให้บริสุทธิ์มีอยู่ในพระสงฆ์แลมีอยู่ในพุทธองค์ธรรมะจึงได้เสื่อมเป็นของสูงชัดธรรมโอพระฤาษับโผพระธรรมเป็นเหมือนกัน พ ร, พระพุทธเจ้าก็เคารพพระธรรมคือพระธรรมเป็นเครื่องนําให้บริสุทธิ์ได้พระธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วนั่นแหละนํามาสอนพวกเราเรียกวาธรรมะเป็นนิยานิกระทธรรมนี่พูดบรรยายถึงคุณพระพุทธเจ้าเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องพระธรรมและพระอริยสุบ เป็นของดีมีค่าหากเรานึกน้อมอยู่ในใจพิจารณาเห็นแั้ตามเป็นจริงในใจในใจของตนแล้วจะเป็นผลให้เราละอายใจในการที่เราละในทำความชั่วมัวเมาประมาณแจะสามารถที่จะดํารงคุณงามความดีตลอดชีวิตทีวาเป็นคุณค่ายิ่งใหญ่เป็นสารโดยหาประมาทมี้ได้เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจะมกชจจทุกคนจงหาถรรพ์นึกน้อม พระเพร่อคุณนี่มาพิจารณาให้เกิดความสว่างแจ่มแจ้าขึ้นในใจของตนเราตั้งใจ ป, ปฏิบัติทุกผลไปตามนัยยะที่แสดงมาขอจะเป็นผลเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่สงสารให้เกิดความสุขสำรานตลอดกาลเดือดเดกาอะไรแบนี้ก่อนนั่งภาวนาเพ่งทาความสงบแล้วกำหนดเอาพุทธโธพุทธโธหรือกำหนดเอาลม ใายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ก็ได้ควบคู่กันไปทั้งสองก็ได้ธรรมกายกรรมเป็นเครื่องรวมจิตให้มาอยู่ในจุดเดียวเมื่อกำลังปฏิกรรมอยู่นั้นต้องทำจิตในกล้าหาญเด็ดเดียวจริงๆในสักจจะว่าพุโทโธเฉย จะไม่เป็นการภาวนาจิตจะทรงสายไปมาเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็ขี้เกียจเบื่อหน่ายในคำตำขานมันจะกลายเป็นพาวนไปชิดเมื่อจิตเด็ดเดี่ยวกราหานลงไปแล้ว ซึ่งหมายความว่าตั้งต่อพุโทโธจริงๆอารมณ์ทั้งหลายก็จะไม่มารบ ก, กวนนะจิตก็จะแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวซึ่งมีพุโทโธเป็นจุดอันหนึง่งนั่นเลยจึงจะถึงจุดเรื่องต้นของการภาวนาสมาธิ ไปตั้งสติกำหนดอย่างนั้นไปให้มั่นคงอม่ให้จิตอยากเห็นโ น, น่นเห็นนี้หรืออยากให้เห็นเทวดาอินผรมหรือเห็นอะไรต่งตางก็ตามทีกเดี๋ยวสมาธินั้นจะเสื่อมร่ามันจะ เป็นสมาธิเต็มที่มันเป็นเองคล้องมันตั้งหา้างใครจะแส่งเอาไม่ได้การแส่งเอาไม่เป็นสมาธิสมาธินี้ถ้าแส่งเอาเขาได้คนทั้งโลกก็จะเป็นเหมือนขันวดเป็นสมาธิเหมือนกันวด จะเป็นของอัจรรยอะไรของเกิดเองเป็นเองนี่เป็นของหายากเป็นต้นคอยตออั้งใจรักษาสติอย่างเดียวไม่ตามแยกเป็นสมาธิคือมันตรวงเป็นเอกาตาจิตเอกาตารมมันหักเป็นเอง มันเป็นเองมันต้องละชินป่วงมดไม่มีเหลือในที่นั้นมันเหลือแต่จิตอเดียวมันยังคนลงเป็นมันเดียวนี่แหละวิธีหัดสมาธิต้องตั้งใจกันทำกันนั่งภาวนากันารคือการทาความสงบแต่เราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยสงบสักทีทำความสงบ ให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวธรรมะท่านแสดงไว้ข้วงขวงถึงเรื่องสิ่งสมาธิสัญญาหลายอย่างถ้าหากเราจับตัวใจให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวแล้วอารมณ์คือยึดสิ่งที่เราไปยึดไว้ แล้วว่าเรียกว่าอาลลกันเดียวเช่นชีดาสติเระเลือกถึงศีลของตนอยู่ในโดยเฉพาะไม่ส่งไปในที่อื่นแล้ทั้งเป็นความปริกรรมแต่นในตัวทำให้จิตสงบอยู่ในที่เดียวเป็นนั้นถูกต้อง